สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎของการอะไรมาก่อนอะไรมาทีหลังนะครับในกฎข้อที่4ในวันนี้เกี่ยวข้องกับการขอบพระคุณพระเจ้าก่อนแล้วค่อยอธิษฐานทูลขอทีหลังซึ่งเราจะได้เห็นจากอาจารย์เปาโลท่านได้วางแบบอย่างไว้ที่ดีมากให้กับพวกเรา จากจดหมายฝากที่ท่านเขียนนั้นเราเห็นรูปแบบที่คงที่คงตัวอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นฟอร์มของจดหมายของท่านเลยนะครับก็คือท่านถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าก่อนแล้วจึงค่อยทูลขออธิษฐานเผื่อผู้ที่รับจดหมายฝากของท่านท่านดูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ร่มพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าคิดทุกอย่างทาทุกอย่างที่ออกจากใจของท่าน เป็นการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าจนกระทั่งในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5้าข้อสินั้นท่านได้เขียนอย่างนี้ครับว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่เป็นน้ําพัดไทยของพระเจ้าโปรดฟังกั้งหนึ่งครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 5: ้าข้อสิจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่เป็นน้ําพัดไทยของพระเจ้า พี่น้องครับเมื่อจิตใจของเรานั้นเริ่มขอพระคุณได้เมื่อไรเราจึงค่อยอธิษฐานทูลขอทีหลังครับแล้วเมื่อเราตั้งคำถามว่าจิตแจ้งเรานั้นจะขอพระคุณได้อย่างไรแสดงว่าเราเองนั้นจะต้องนับพระคุณมาก่อนใช่ไหมครับการนับพระคุณนั้นเราจะนับพระคุณสืบเนื่องจากอะไรครับก็สืบเนื่องจากการที่เรารับพระคุณของพระเจ้า เมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะนับพระคุณของพระองค์ได้เมื่อเรารับพระพรของพระเจ้าแล้วเราก็จะสามารถนับพระพรของพระเจ้าได้พี่น้องครับการที่เราจะหรือใครคนหนึ่งจะรับพระคุณหรือพระพรนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าจะต้องเปิดตัวเองที่จะรับพระพรผมพบเปรียบเสมือนชีวิตของเรานะครับ เหมือนกับชามเราจะคว่าจะหงายที่จะรับน้ำฝนถ้าชีวิตของเราควา่าเหมือนกับชามที่ควา่าเราก็ไม่สามารถรับพระพรซึ่งเปรียบดังฝนที่ตกมาจากฟ้าได้ฝนตกมาหนักเท่าไหร่พระพรลงมามากเท่าไหร่พระคุณมามากเท่าไหร่หากว่าเราไม่หงายชามของเรารับพระพรรับพระคุณแล้วแล้วก็เราก็ไม่มีวันที่จะได้ การหงายชามนั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราเปิดใจครับเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเปิดใจออกที่จะรับพระคุณของพระเจ้าเมื่อเรามีพระคุณของพระเจ้ารับพระคุณของพระองค์เราก็สามารถที่จะนับพระคุณนับพระพรของพระเจ้าได้และเมื่อเรารับพระพรนับพระพรของพระเจ้าได้แล้วก็สามารถที่เริ่มต้นขอพระคุณพระเจ้าได้และเมื่อเราขอพระคุณพระเจ้าได้ แล้วก็สามารถที่จะอธิษฐานวิงวอนถูลขอด้วยความเชื่อต่อไปกับพระบิดาของเราได้พี่น้องครับพระเจ้าทรงโปรดปรานใจที่รู้จักพระคุณของพระองค์ใจที่สำนึกใจที่ตระหนักในพระคุณของพระองค์และขอพระคุณพระองค์เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะทรงกรุนาพวกเราและจะทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเราการขอพระคุณนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญครับ หมายถึงการรู้คุณรู้คุณจึงขอบพระคุณครับตระหนักว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละก้าวย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทรงนำของพระเจ้าล้วนแล้วแต่ที่พระเจ้าได้โปรดปรานเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเองนั้นไม่สมควรได้แต่พระองค์ทรงประทานให้พี่น้องครับการรู้สำนึกการตระหนัก ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพระคุณพระผรของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะต้องรู้จักรับพระคุณนับพระคุณและขอบพระคุณเมื่อเราขอบพระคุณได้แล้วนะครับการอธิษฐานของเราพี่น้องครับพระเจ้าก็จะทรงสดับฟังจงขอบพระคุณในทุกกรณีมีความหมายว่าไม่ว่า กรณีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้เกิดไม่ว่าร้ายหรือดีไม่ว่าร้ายหรือดีอดบทเรียนต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราจะต้องขอพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีถามไม่ยากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับ และในบางมุมบางแง่ของชีวิตของเรานั้นก็ยากยากอยู่ยากพอสมควรครับพี่น้องที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้เวลาที่เราอยู่ในสนการมรสุมของชีวิตวิกฤตต่างๆของชีวิตแล้วล้วก็เราจะหันกลับมาขอบพระคุณเป็นเรื่องยากไม่ง่ายเลยครับแต่พี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าท่านจาโล ท่านเองนั้นมีประสบการณ์มากมายหลายอย่างทั้งดีและร้ายในท่านเขียนไว้เพื่อนหนุนใจเราทั้งหลายเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะต้องขอพระคุณพระองค์ในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นสิ่งดีในมรสุมชีวิตในวิกฤตต่างๆของชีวิตในปัญหาอุปสรรคมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต พี่น้องครับเมื่อเราเห็นสิ่งดีเราต้องรู้จักขอบพระคุณครับเมื่อเราเห็นสิ่งดีเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณของพระองค์พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าเมื่อจิตใจของเราเริ่มนับพระคุณของพระเจ้าเราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นที่จะทูลขอกับพระบิดาในเวลาเดียวกันพระเจ้าจะทรงโปรดปราณใจที่รู้จักขอบพระคุณของเราพระองค์ก็ทรงกรุณาพวกเรา จะส่งฟังคำอธิษฐานของพวกเราครับในประเด็นต่อไปอะไรก่อนอะไรหลังก็คือการถวายตัวก่อนและออกไปรับใช้ทีหลังพูดง่ายๆก็คือว่าถวายตัวก่อนจึงออกไปรับใช้ในพระธรรมโรมบทที่12ครับท่านอาจารย์เปาโลนั้นใช้ทั้งบทนะครับใช้ทั้งบทเลยนะครับ ในการกล่าวถึงเรื่องของการรับใช้แต่ก่อนอื่นท่านกล่าวถึงการรับใช้ท่านพูดถึงการถวายตัวนะครับในโรมบทที่12ข้อที่1และข้อที่ 2, 2> โปรดฟังโรวัตจะจของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ด้วยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิ ญ, ญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยม ผมอยากจะอ่านจากฉบับ2 0 1 1นะครับอีกครั้งหนึ่งพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนามัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่อยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองครับ พี่น้องครับในหนังสือ20กฏทองคำท่านศาสนราจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงนั้นท่านได้เขียนว่าอย่างนี้ครับว่าคนที่ไม่ได้ถวายตัวเองให้กับพระเจ้านั้นการรับใช้ของเขาจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาต้องการคำชมชอบสนุกชอบทำตัวให้โด่งดังชอบคบค้าสมาคมวันใดหากเจออุปสรรคก็ทอดแท้หมดกาลังใจทิ้งงานทอดถอยและสูญหายไป แต่คนที่ถวายตัวก่อนแล้วจึงออกไปรับใช้ถวายตัวแด่พระคริสต์การรับใช้ของเขานั้นก็ยึดพระคริสต์เป็นศูนย์กลางทุกๆอย่างก็ทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสแสวงหาการที่จะถวายพระเกียรติพระสิริและสแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ทุกๆเรื่องราวนั้นก็จะดาเนินตามน้ำมันไทยของพระเจ้ายอมจ่ายราคายอมจะเสียสละ ยอมจ่ายค่าทดแทนเพื่อพระองค์และอดทนทําทุกอย่างทุกๆเรื่องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทนต่อความเหน็ดเหนื่อยทนต่อการถูกตำหนิไม่ทิ้งงานกลางคันท่อมใจและชื่นชมีดีในที่สุดก็จะเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้พี่น้องครับเนื่องด้วยเวลาหมดนะครับพรุ่งนี้เราจะ ต่อกันว่าทำไมจะต้องถวายตัวก่อนการรับใช้ขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องทุกท่านในวันนี้ครับเพื่อที่สิ่งดีๆและความโปรดปรานของพระเจ้านั้นจะอยู่กับพวกเราอามน